ในต่างๆของร่างกายจุดเล็กจุดน้อยก็ให้เกิดตัววิญ ญ, ญาณธาตุขึ้นมาดังนั้นธาตุทั้ง 5, ห้าเป็นรูปแล้วธาตุที่หคือเป็นน้ำทั้งธาตุทั้งห้าเนี่ยสันสมกัน พ, พนอดีพดีก็ออกมาเป็นธาตุวิญญาณธาตุเป็นลักษณะวิญญาณธาตุก็เป็นธาตุรวมของธาตุลมกับธาตุน้ําที่มันไหลลื่นเป็นเป็นพลังงาน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 รักความโลภก็ให้รู้ว่าจิตมีความอยากความไข่ความรักความโลภเพื่อใช้คำว่าราคะราสาราคังพจิตของเรานั้นมันเป็นภาวะทั้งมีความอยากและไม่มีความอยากในช่วงไหนที่ไม่มีความอยากว่างจากความอยากขรวีตะราคังวาจิตตังวีตะราคังจิตตันติประชาณติทีนี้ในช่วงที่เรามีความอยากความอ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 อันนนี่ยมจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่บางครั้งร่างกายก็เฉยเฉยจิตก็เฉยเฉยไม่รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรจิตทาหน้าที่เป็นธาตุอะไรเ ป, เป็นอากาศาธาตุว่างๆอะรก็แล้จิตว่างจิตว่างนั้นเราก็มันจะมีอาการเหล่านี้ทีนี้เวลาเรามองอะไรเราก็เห็นตาเห็นนู่นเห็นนี่ จิต ท, ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่แสงสว่างรู้ไฟก็ททำให้ตาเราเห็นวิ่งรถราไฟไม่มีเปิดตารถหน่อยเปิดไฟรถหน่อยเห็นไหมก็จ้เห็นรถมันก็มีตานี่เห็นไหมเราจะเห็นว่าจิต ท, ทำหน้าที่ต่างๆเพราะฉะนั้นจิตจึงมีหลายประเภทอย่างที่กล่าวเราจิต ท, ทำหน้าที่ทางตาก็เรียกว่า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 ในฐานะอาจารย์ไปหาแล้วให้ขอร้องให้ตัวเองสอนฮนะั่นโวไม่กล้าสอน อ, อาจารย์เป็นอาจารย์อาจารย์ก็รู้แล้วอะไรอะไรก็รู้แล้วจะสอนทำไมอีกนี้ก็ไม่มีใครกล้าสอนที่ถามไปถามมาไปถามนน้อยองหนึ่งนินน้อยออนีนยนย่เป็นพระรหันต์ชื่อว่าอาธิมุตตกะกุม อ, อธิอธิมุตอธิมุตติกะกุมารอาธิมุตตกะสมเณ น, นอ่าสามเืร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 เรียกว่าสวงทรงคีวอันใสใสใ ส, ใ ส, สังกัติมาเรียบร้อยแจกสอนกรรมาฐานให้เอานี่เขารู้เลยอ้าวพอมาถึงประคั่นก็กลับไปห่มผ้าแต่งตัวให้เรียบร้อยก็มาหาเนี่ยเนี่น้อยว่ามามีอะไรก็ว่ามาเอาอาจารย์ลงปรตสะหน่อยาวกั้นเ <c oughs> อาลงเอาอย่างนั้นเลยเนี่ยเอาอย่างงั้นแหละเอางลงปรตสะน่ะ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 เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เอาสติเนี่ยมาตามรู้เฉยๆตาเห็นหูได้ยินแต่ว่าเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องทาตามตาหูจมูกลิ้นกาใจตามทตามรูปเสียงกิ่เรดนั้นต้องทำตามด้วยสติปัญญาก็ยังไม่ใช่จิตนะเป็นเจตสิกเฉยๆง้เราจะเห็นว่าอันนี้คือความยากของธรรมความยากของมันว่านี่พุทธิยถาตัดเองนะ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 แต่รูปแสงคิดรดสำ้ำอัตราหูจมูก ล, ลิก้นกายใจที่เกิดความรู้ตามอาการนั้นเราไม่ให้มันเป็นละเราให้ไม่ให้มันเป็นอะไรให้มันรู้เฉยๆเนยเพราะนั้นมันก็เลยเผาแต่ไม่เกิดแสงสว่างเผาเราเป็นขี้เถ้าก็เลยเผาไม้มีสองอย่างหนึ่งเผาแล้วเป็นขี้เถ้าสองเผาแล้วกลายเป็นถ่านเราจะเผาแบบไห น, น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 และความดิบเถื่อนที่ไปอยู่ในไม้เผาเออกไปแล้วมันก็จะเหลือแต่ฐานจะกลายเป็นพลังงานอันนี้มีนัยยะนะมีนัยยะเพราะฉะนั้นเวลาเดี๋ยวนี้เตาเผาเขาไม่ได้ทำแบบโบราณ น, นะเขาเอาเตาแบ บ, แ บ, บ, แ บ, บเผาผีก็คือเอาดินเข้ามากรวดเผาลาบากมากแต่เดี๋ยวนี้เขาทาเป็นเตาอะไรเตาอบนะฮะปันเป็นเตาอบเลยไม้ใส่เข้าไปก็ปิดดูทั้งหมดแล้วก็เผาสาวัน็วันไปเปิดเอาฐานมาใช้ ไม่เป็นขี้เท่าเลยเป็นรุ่นเป็นแดงเหมือนกับไม้เลยนะอันนี้เขาเริ่มมันปกปิดดีถ้าสติของเราครอบคุมถ้าสติของเราดูแลตาหูจมูกลิ้นกายใจดีชัดๆแล้เนี่ยมันจะออกมาเป็นปัญญาแต่ถ้าอะไรออกมาเป็นเันหาไหมคขาเป็นอะไรเป็นขี้เท่ามันใช้ไม่ได้แล้วออกมาเป็นออกมาเป็นเดนหานี่มันเผาอ่ะใช่ไหมเผาแบบเปลวออกเลยที่เหลือออกมาก็เป็น อวิชาไปเป็นอุปท า, านเป็นชาราลัยราโสกปฏิเทวเรียกว่าขี้เถ้านะแต่ถ้าออกมาเป็นตัวสติเข้าไปตามรู้ตามดูเห็นออกเผาความพอใจไม่พอใจออกไปกสมมตนความดีความถ่านของของไม้เผาออกไปมันก็เหลือพลังงานคือตัววิชาปัญญาและแสงสว่างเนี่ยวันนี้เราเผาได้เยอะั้ยเผาถ่านได้เยอะม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 เป็นตัวทำเปลี่ยนตัวทุกให้เป็นตัวทำถ้าความรู้เราน้อยตัวทำก็กลายเป็นตัวทุกข์แต่หากรู้สึกตัวเยอะๆก็เปลี่ยนตัวทุกให้เป็นตัวทำได้นะแต่หากคนไหนทุกมากก็มีทำมากเพราะเข้าไปรู้มากเหมือนเราจะเผาถ่านยิ่งไม้ดิบเยอะมันก็ได้ถ่านเยอะใช่ไหมถ้าไม้ดิบน้อยก็ได้ถ่านน้อยเพราะนั้นตัวความคิดเนี่ยเป็นวัตถุดิบ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 ไม่ได้ว่า้เพื่อจะไปถึงขอบถึงฝั่งหรอกแต่ข้พาพเจ้าว่า้เพื่อที่จะใช้ความสามารถที่มีอยู่ให้หมดให้หมดความสามารถอะไรแหละว่ายไปถึงนี่ถึงนั่นการที่ได้ใช้ความสามารถทั้งหมดแล้วมันยังไม่ถึงนะัะข้พาพเจ้าได้ทาหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วเลือกจะถึงขอบถึงฝั่งไม่จำเป็นแต่ขอให้ได้ทำหน้าที่ให้สุดความสามารถก็ได้กันคือทาขยันให้สุดความสามารถนะ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 หมายเขาว่าเอาให้สูดความสามารถนั่นแหละนะอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะขออีกเรื่องหนึ่งเวลาใกล้จะหมดแล้วเพื่อจะให้กําลังใจนะอินสปายกันหน่อยว้เอาจิงไว้นะถึงจะเป็นนิทานแต่เรื่องก็น่าคิดอ่ะเขาบอกว่าดำปุติเวลาหน้าแรงเนี่ยใบายมาก็หล่นนะใช่ไหมหล่นทั้งป่าเลยทีนี้พอไฟไหม้ป่าแต่ละปีเนี่ย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 เดี๋ยวเพี่ว่าอีกส่องมันเกิด อ, อะไรขึ้นโอ้นกน้อยตัวหนึ่งเอาตัวเองไปชุบดาวแล้วมาสลัดใส่ไฟหวังว่าจะดับไฟเพื่อไม่ให้ต้นไม่ให้ไฟไหม้ต้นไผ่เพื่อว่าจะแสดงออกว่ามีมีบุญคุณต้นไผ่มีบุญคุณ ต, ต้องช่วยเขาก็ลงมามาถามนกน้อยจะทำอะไรกําลังดับไฟอยู่อแคคิดว่ามันจะดับเลยนะ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 ดังนั้นเวลาเอามาทำความเพียนเนี่ยโอ้มันสนุกอยากจะเป็นลมในการเพียนนท่แหละมัรู้ว่ามันเพียนเป็นลมไัม้ปนขนาดไหนนะมันก็ไม่เคยเป็นอ่ะนะอย่างน้อยก็เมื่อยเหนื่อยหิวนอนหลับสบายทานข้าวอร่อยแค่นั้นเองแหละนะก็ทำไปทำมาอ๋อถึงวันหนึ่งมันก็คลิกขึ้นมาเองพอคลิกวันนิดเดียวกันนะ่ะชั่ววินาทีเดียวจากที่มันมืดทั้งห้องพอเราเจอสวิตไฟไปไง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 ถ้หาว่าเคลียให้เสมอนะเราเอาทรายเขาขาวมาลงโอ้เดินจูงขมสนุกเลยน ะ, อะตอนเย็นว่าเดินจูงขุมกัเต็มลานเลยนะเ อ, อวันสุวันเสาร์ก่อนนักเรีย น, นเลิกเอานักเรียนมานั่งปฏิบัติที่นี่มันสนุกน่าดูเลยนะเนี่ยมันกลายเป็นเลยได้ชื่อขึ้นมาหมาว่าอาสมสารติประพาคานว่างนันนะเออเห็นไหมคนิดเดียวก็เลยไปนู่นเลยใจไม่ได้อยู่ที่เท้าเดินแล้วทีนี้ออไป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 อย่างไอเรียบร้อยจิตมันใสดีเนาะมันชื่อๆแล้วอีอย่างมันไม่ต้องมาวุ่นหวัวก็เราฟังหลวงพ่อใช่ไหมเออฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่านั่งฟังว่าอ่าเพราะนั้นก็เลยนะสิ่งเนี้ยสนุกเพราะนั่นช่วงเย็นวันนี้จะหมดเวลาแลมีเวลาให้ไปนอนสิบนาทีก็ค้นวัฒนาสาธุที่เราได้มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องจิตก็ขอให้นำไปพินิษพิจารณาสิ่งไหนคน